สิบบาทนั้นถึงกติเขาเปล่าพอ ม, มันรู้บางทีก็ถึงเป็นห้าบาทหกบาทสี่บาทและยีเหลือนัาไปนั่นไปทำอะไรเอาไปกินไปใช้ของเขาเนั้นก็ผิดคำอธิษฐานของโยมอีกเพราะเราเป็นผู้ยักยอกเขาคิดรายละเอียดไปอย่างนี้การกติกาหนึ่งหลังหนึ่งแสนบาทนะ มีคนบริจาคต้องแสนห้าหมืนบาทแล้วอีห้ามืนไปไหนโอ้โหแต น, นี้แหละพิสุกรตาตั้งเนีะยักยอกเขาไปไหนเนี่ยนี่แหละคนที่ไปล้นพ้นดีใจไอการสร้างเน่มันมันมันผิดกันหวัดอย่างนี้พระเจ้าองคนะ์พระเจ้าองค์ท่านบวชมาท่าไม่ได้สร้างวัดนะแต่ดูดูท่านท่านสอนท่านตอนวัดใหญ่คือวัดที่มีคุณธรรม วัดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรียกว่าวัดที่มาไว้ก่อนหมายถึงผู้มีจิตเป็นโท ม, มิหานสีรู้จักเมตตารู้จักกรุณารู้จักมุทิตาเบิกขาตัวเองปรับตรงตัวเองให้มีศีลมีธรรมขึ้นเข า, าให้สร้างวัดตรงนี้แต่ไม่ใช่สร้างวัดตรงโนนนนี้เราไปเอาวัดตรงโน้นเป็นหลักเลยโดยที่เรียกว่าไม่สร้างวัดทางในแต่ไปสร้างวัด้างนอก มันก็เลยพิสูุน์กรผู้บรระชาผิดเลยซึ่งเราก็เห็นมีจํานวนมากมายเหลือเกินปัจจุบันนี้ที่พิสูจน์หลงสร้างวัตถุะเป็นสวรรค์นิพพานกันซึ่งไม่มีแบบอย่างไม่มีเยี่ยงอย่างถ้ามีเยี่ยงอย่างก็พระพุทธองค์ก็ทรงจะส่งเสริมแต่นี้พระองค์นั้นไม่ได้ทรงเสริมมันสร้างวัดทั้งนก ถ้าการทรงส่งเสริมท่านก็คงจะสร้างเปนองค์แรกท่านก็คงจะขนสมบัติจากกรุงอริภยภพนี่มาสร้างวัดนะฮหเงินใหญ่มันเติขึ้นในถานัาเป็นลูกขัดตัดมีเงินเยอะแล้วก็ตั้งตัวเป็นศาสตราแล้วก็สอนเราอะไรประเภทอย่างนีน้แล้วก็แนะนําห้คนอื่นเขาทําอย่างนี้บ้างนี่ท่านไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ดูสิออกจากกรุงอริยภพมีอะไร ไม่มีอะไรมาเลยแม้แต่อภรร์เครื่องสระดับกายเขาทรงวางไว้ไม่นำมาใช้ไม่นำมาติดตัวนำมาเพียงท่าตายสาวพัดพุ้มห่อกายทั้งตนเองเพื่อการบำเพ็ญสินภาวนาเพื่อจะให้จบรอบนะครับว่ า, า, า, าสินสมาธิปัญญาเพื่อยกว่าตั้งจิตตั้งอารมณ์ตั้งธรรม ให้ได้ให้ได้ให้ได้มุมได้เฉาหรือว่าให้ได้วักได้ตอนได้เหตุได้ผลแตนี้นักบวชล่านั้นไม่ได้ดูเยี่งยาวไม่ได้ดูต้นตอว่าทำอย่างไงมันก็เลยกลายเป็นอะไรต้นไม้ฝ่ายกิ่งต้นจริงๆไม่รู้จักยิ่งยาวนานแค่ไหนศาสนาดึงอ่อยืดยาวไปแค่ไหนคนเราก็ยิงไกลความจริงมากแค่นั้น เหมือนปัจจุบันเนี่ยวัดวาอารามทั่วๆไปก็มักจะนิยมเนเรื่องสร้างฐานสร้างฐานนิยมเข้าไปในวัดก็ออเอาฐานก็เป็นใหญ่ฝั่งนันสร้างนี่มีเงินมีทองก็มาร่วมสร้างนันสร้งนี้กันก็เป็นหลักกันอยู่อย่างนั้นเอาแค่สิ่งแค่ฐานเรื่องการภาวนาเรื่องเรื่องการกำจัดอารมณ์หรือสร้างความเข้าใจในอริยสัจสีนี่ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะ จนเรื่องอริยสัจสีนี่เป็นเรื่องที่ถูกปิดบงังไปเลยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องถูอ่าไม่ต้องได้ไดเปิดเผยันเลยประชีวคําว่ารู้จริงๆนั้มากับเรื่องอะไรแการทําของพระองค์มาทรงสอนถึงเรื่องอริยสัจสี่ก็คือโลกุตระทําโลภุตระทําก็คืออริยสัจสี่นั่นเอง แต่โลกุตละธรรมมีเียสองมีเพียงสองข้อคือโลกะกับกุตละโลกะแปลว่าโลกุตละแปลว่าธรรมแต่ลาละเอียดของนิ ย, ยสสีมีสี่ข้อซึ่งเขาเรียกว่าขยายด้วยความให้นความไปนิดนึงทุกคือสภาพที่ อ, อเกิดปฏิกรรมคือกรรมนี่แหละคือตัวทุกเราจะไม่เราไม่พูดกันเรื่องเนื้อย่างนะ ที่พุทธอ์บอกว่าทุกข์ก็คือกรรมทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกโดยชื่อว่ามีทุกข์ก็คือมีกรรมนั่นเองตอนนี้เมื่อเราจับทุกข์อันนี้ได้ท่านก็สอนให้รู้จักคำว่าสาเหตุของทุกข์คืออะไรก็คืออารมณ์ อารมณ์ตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์ตอนนี้เวลจาจับสองข้อนี้ได้เราจะรู้จักแล้วอันี่แหละคือคือโลกแหละที่เขาเรียกว่าโลกละนะฮะแบ่งออกไปแล้วซีอีกหนึ่งขีดไว้เลยซีอีกหนึ่งเลยล่ะเรียกว่าโลกตอนนี้เรามาดูขั้นต่อไปของธรรมนี่โลกนี่โลกแปลว่าการบรรเทาทุกข์ ทำให้สิ้นสุดของความทุกข์ก็คืออะไรคือกิริยาของธรรมะห้าประการที่ทำกันอยู่อย่างที่เราทำกันอยู่นี่เรียกว่าบรรเทาทุกข์บรรเทาทุกข์เพื่อให้พ้นทุกข์ขณะที่เราม า, ม า, ม า, มาบ่ามาบรรเทาทุกข์กันอยู่เรื่องเรื่องการที่คลายกิริยาห้าประการนะก็มีการศึกษาเรื่องราวของการผ่านทนทุกข์นั่นคืออารมณ์ใช่ไหม เราจะจับได้แล้วนะนนี่โดแปลว่าการบรรเทาทุกข์เราจับสาเห็นได้แล้วอ๋อถ้าคนเรามันมาเดินอยู่อย่างนี้ไม่มีทางบรรเทาทุกข์เลยไม่มีทางที่จะรู้จักคําว่าค้นความทุกข์ไปได้เลยนี่เราจับได้แล้วในในข้อที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าอข้อที่สามที่เขาเรียกนี่โลดแปลว่าการบรรเทาทุกข์แปลว่าเดินทางให้ถึงที่สุดของความทุกข์ ตอนนี้คนเรานี่ถ้าบรรเทาทุกข์มากๆขึ้นคือวันหนึ่งไม่คิดจะสร้างกรรมกับใครม่วันไหนก่อไหนขอหรือใครทั้งหลแหล่มีพรหมวิหารสีดุในใจแนบแน่นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าและั่วชีวิตของเราหรือหนึ่งปีของเราหนึ่งเดือนของเรานี่บรรเทาทุกข์ไปขนาดไหนในเราคิดดูมีการบรรทุกให้กับชีวิตนี้ขนาดไหนเราจะเห็นชัดทันทีเลย ในวันหนึ่งคืนหนึ่งของตอนเองที่มีการบรรเทาทุกข์อยู่แบบนี้ถึงแม้ว่าจะออกไปจากคติยาของพระห้าองค์ก็มีการศึกษาด้วยสติและปัญญาอยู่สม่ำเสมอนี่คือการบรรเทาทุกข์ซึ่งเราเห็นได้ชัดกรรมเกิดขึ้นา ก, การคล้องกายกรรมมิจีกรรมแต่ถ้าเราไม่ใช้กายกรรมวิจีกรรมโนกรรมมันจะมีกรรมอะไรเกิดขึ้นนี่เนี่ขอให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งเขาเรียกว่านิโรธบรรเทาทุกข์คือเหตุห้าข้อนี้ ทำไปบ่อยๆทำไปมากๆทำเป็นอากินทำเป็นนิจเจสินจะกลายเป็นลักษณะตบะและเดชชคือการบำเพ็ญที่สูงขึ้นสูงขึ้นถึงขัเรียกยกกายยกจิตยกกายยกจิตยกกายยกจิตเหนืออารมณ์เหนือกรรมเหนืออารมณ์เหนือกรรมอยู่อย่างเนี้อยู่บ่อยๆนั่นได้ชื่อว่าเป็นลักษณะบุคคลที่บำเพ็ญนิโรธคือการบรรเทาทุกข์ ตอนนี้เมื่อเรามีการเดินทางสู่การบรรเทาทุกข์กันอย่างนี้เป็นอาจินอย่างที่กล่าวแล้วก็จะถึงที่สุดของความทุกข์ในวันหนึ่งหรือชาติหนึ่งของชีวิตตนเองเหมือนอย่างพุทธองค์ทรงสร้างการบรรเทาทุกข์มาถึงสี่อสงไขยชาติถึงชาติสุดท้ายเรียกว่าชาติแห่งพระสิทธธรเห็นไหมละ่ะก็สาเหตุที่ทําให้ให้บรรเทาทุกข์ได้ก็เพราะรู้จักอารมณ์ทาให้เห็นชัดขึ้น เห็นธรรมชัดขึ้นเห็นอารมณ์ชัดขึ้นก็ทําให้คนร่้งมันเบาบางขึ้นจึงเรียกว่าบุคคลนั้นเดินถึงที่สุดของความทุกข์ที่เขาเรียกว่ามัจคือแนวทางที่ทําให้จริตหรือจิตบุคคลนั้นเนี่ยค้นทุกข์ขึ้นตอนนี้เราจะเราเข้าใจถึงอริยสัจสี่ข้ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเราจะชื่นฉ่ำคือหมายว่าพอใจในในรดพฤตธรรมที่เรารู้จัก ก็จะมีการหยั่งชีวิตขึ้นในอริยสัจสีของตนเองโดยเฉพาะโดยไม่ต้องมีใครมากระมาเกณฑ์ให้แก่ชีวิตของเราเลยอริยสัจสีปกติถ้าวัดทั้งหลายนักบวชทั้งหลายที่มีความเชี่ยชาจในอริยสัจสีที่เรียกว่าจริงใจต่อรพระศาสนาหรือว่าจริงใจต่อพุท ธ, ทธศาสนิกนชนแล้วย่อมจะเปิดเผยอริยสัจสีอันนี้ขึ้นไม่ใช่เพียงคิ้วินโตหรือว่าสร้างฐ า, านถือเฉย ถ้านักบวชเหล่านั้นมีความจริงใจต่อลักษณะของการแนะนำสงสอนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นแบบนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญที่เขาเรียกว่าเผื่อแผ่เราไม่มีโอกาสจะไปเผื่อแผ่ไปใจสี่ให้โยมเขาได้หรอกแต่เรามีธรรมะนี่แหละคือเผื่อแผ่ให้เขาอย่างที่พระองค์ทรงบอกไว้นะให้อะไรก็ามาไม่ประเสริฐเท่าให้ทำ ให้ทำแก่เขาให้ทำแก่ตนเองเหมือนกับเราให้อารมณ์เป็นฐานอย่างเงี้ยให้กรรมเป็นฐานโดยไม่ถืออารมณ์ไม่ถือกรรมมันก็เปรดที่จะยิงย่งจะเอาเงินมาถวายพระเจ้าองค์เป็นแสนเป็นล้า น, เ ป, นเป็นโกดเป็นกับถ้าได้ซเหมือนอย่างพนางวิสาขาตัวสร้างวัดถวายพระเจ้าองค์ในราคาถึงเก้าโกดแต่เก้าโกดนี่ถ้ามาคิดถึงเงินไทยแล้วก็โอ้มันก็หลายนะ สิบแสนก็เป็นล้านสิบล้านก็เป็นโกดแล้วมันตั้งต้าโกดนะพระเจองค์ยังยังไม่ทงยินดีหรือบอกว่าทานที่เธอทำานะ่มันคือการบันเทินของกายแต่ถ้าวิสาขายจะทำให้ดีกว่านั้นวิสาขาควรจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาคือการลดละอารมณ์และปล่อยให้อารมณ์เป็นฐานวิสาขายจะได้อันนี้สงสูงกว่านี้เห็นไหล่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องอริยสัจสีแล้วมันเรื่องชีวิตจิตใจซึ่งซึ่งเราทุกคนควรจะมีความเข้าใจขึ้นเหมือนก็บเเข้าใจโลกุตประลัก็กควรจะเข้าใจอริยสัจสีเมื่อเข้าใจอริยสัจสีแล้วก็ควรจะเข้าใจทุกขสาเหตุของทุกข์แนวทางการบรรเทาทุกทางโดยนี้ถึงที่ที่สุดของทุ ก, ก็คือการจับอารมณ์ก็จับสติธรรมให้ได้ จับกติทํากระจับอารมณ์ได้นี่เขาเข้าไปในอะไรเป็นมือสอามือซ้ายมือขวาที่ที่จะที่จะถือเข้าไว้อ๋อนี่อารมณ์นี่ทำนี่อารมณ์นี่ทำถึงเวลาอารมณ์เกิดปล่อยถึงเวลาอารมณเกิดเสริมเดินไปอย่างนี้ทําไปอย่างนี้รับรองนะคือไม่ต้องเอาตรง ร, รับรองว่าสุกขโตดูเป็นสุขไปก็เป็นสุขเแต่เวละไม่ใช่ลูกน้ารับรองนะ พรพระองค์ทรงรับรองเลยว่าอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขอยู่แบบเข้าใจไปแบบเข้าใจนะ่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราเผื่อแผ่กันในลักษณะเ้าเรียกว่าคนดีมีศีลธรรมพระเนแม่ชีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่เราเรียกว่าคนดีนะเมื่อคนดีเข้ามาเขาคนจะมีศีลมีธรรมก็เหมือนอย่างนั้นยอดโยมไปทําบุญตามวัด ต, ตามบาานะคนดีทั้งนั้นแต่คนที่จะให้ศีลธรรมมันไม่ค่อจะมี เหมือนอย่างคัที่โยมเคยพูดไทยหลวงอาฟังอ่ะพระเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแต่พระจุงผีแต่พระจุงคนไม่ค่อยจะมีใช่ไหมก็เป็นเรื่องจริงของโยมอยู่เหมือนกันพระจุงผีเนี่หาง่ายแต่พระจุงอพาพระจุงคนนี่หายยากมันก็เลยต้องโดนโดนไปหาเอาโน่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นก็มีจุงคนกันไม่ต้องต้องไปข้ามน้าข้ามทะเลไปไกลไหนไกลไหนก็ต้องไป แต่ะเกียบตกา ت ت ยก็คือจะไปให้พระธัญจุงคนพระธัญจุงผีข้างบ้านเยอะแยะหมดก็ต้องเห็นดีกับโยมเขาด้วยเนี่ยแล้วเรามาฝึกผ่านอาฝึกขัดเพื่อให้คนดีมีศีลธรรมเหมือนพระพุทธองค์นะท่านท่านเป็นผู้มีธรรมคือท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ น, นี้่มาพุทธบริษัทนี่เข้ามาสู่ต่อหน้าพระพักร์แล้วพระคนจะส่งศีลส่งธรรมให้แก่อุบายก อ, อุบาสิกาหรือว่าพุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อให้เขานั้นมีศีลมีธรรมคือรู้จักอริยสัจสี่นี่เองศาสนาอาศาสนาคำสอนทั้งหลายเลยนะพุทธองคนะ์ทรงสอนมาถึงสี่สิบห้าพันสายเลยนะสรุปแล้วก็คืออริยสัจสีนี่แหละคือหัวใจก็เหมือนอย่างเราเนี่ยคนจะรู้จักหัวใจจะ คือรู้จักอริยสัจสี่แล้วก็มันเด่นชัดอย่าไปเอาอริยสัจสีในตำลามารู้นะให้รู้อย่างนั้นเนี่ยมันรูหาปูหาปลารู้หากินหานอนรูอริยสัจสจริงกีนี่เขาเรียกว่ารู้แบบอะไรชีวิตจิตใจทุ ก, ก็คือสภาพการที่จงรับ สมมติง่ายอย่างเงี้ยเราอยู่ดีดมีคนก็มาด่าเราเนี้ยโอ้ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่น อ, นนนอนี่อย่างนั้นอย่างนี้วสกกะสัสโอ้โห อ, อ, อ, อ, อย่างนั้นแล้วก็แก้ก็ทอเลยนี่ยรับทุกไหมเรานั่งฟังเขาสินั่งทุกเลยเราด่าเอาด่าเอาด่าเอาด่าเอาอะไรเงี้ยนี่แหละคือทุกแหละคือจิตเป็นคนรับทุกนี่คือเขาแปลว่าทุกเนี่ยทุกอย่างจิตจะต้องผู้รับทั้งหมดบางทีรับทุกจากพ่อรับทุกจากแม่ รับทุกจากพี่จากน้องจากเพื่อนญาติอเพื่อนบ้านล้านทิ่นญาติสนิทมิตรหายไปกระทั่งรับทุกของพัญยาบังลูกบางอะไรบังก็ว่าก็ไปเถอะเนี่ยจิตอันเนี้ยรับทุกหนึ่งถึงได้ว่าทุกเน่ยทุกสภาพของชีวิตมีแต่ทุกคือสมพวกเราท่านมองไปถึงคําว่าจิตเป็นผู้รับทุกแต่ท่านเพียงกล่าวว่าทุกเนโลกนี้มันเป็นโลกแห่งความทุกแต่นี้ทุกอันเนี้ยไม่มีใครจะมารับได้เราจะเรารับกันเองทุกใครทุกมัน นี่เราต้องให้มันเข้าใจชัดอย่างนั้นไม่รู้จักทุกท่านก็บอกพุทธองค์ก็ทรงแนะเออเธอเจอทางปันแล้วใช่ไหมเธอเจอทุกเนี่ยเขาเรียกว่าเจอทางปันอ้าวตถาคาจะบอกทางโกร่งให้ก็คือโน้นดูดูไอ้ตัวที่มันทำให้เธอทุกข์อ่ะคือตัวอารมณ์นั่นเธอไปยึดอารมณ์เธอไปเธอไม่ปล่อยอารมณ์เธอไปทำตามอารมณ์มันถึงจะได้มีทุกข์มาก ทุกที่รู้จักก็ยังดีนะเขาเรียกว่าทุกของมนุษย์แต่ทุกที่มนุษย์ไม่รู้จักก็ยังมีอีกเยอะเช่งงวควายหมูหมาเป็ดไก่ที่เราไปผูดไปเกิดอยู่ในร่างสังขารสัตว์เหล่านั้นนะรู้จักทุกหรือเปล่าหรือแม้จะไปตกนรกเกิดเป็นสัตว์เปรตอสุงกายสาัตว์เดชฌานเนี่ยมันก็ยังไม่รู้จักทุกเลยแต่มันก็เป็นเรื่องของทุกแต่มนุษย์เท่านั้นนะที่สามารถจะรู้จักทุกได้ท่านจึงแนะนําให้เรารู้จักอารมณ์นะ เขนะาเลีว่าฟังไว้เป็นข้อคิดแต่ทําเป็นหูตะก้าตาตะแกลงเสียแรงเรียนรู้คนดูแกลัดบนหลังเพราะว่าไว้คือฟังคือไม่ต้องจําทุกคําที่ลุงอาพูดให้ฟังแต่ว่าให้มันได้สติให้มันได้ข้อคิดเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของเราเลยไม่ใช่เรื่องของลุงอาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคำเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตเป็นผู้รับถูก แต่นี้เราจะไปแนะนำตั้งสอนกันลง่ายเจว่าบอกว่าทุกข์โอ้อตั้งขายเป็นทุกข์วาราเป็นทุกข์มีไอ้นอก็เป็นทุกข์อ้ น, นี่มันมันมันเขาเรียกว่ากำบานทุกข์ดนมันกลายเขตไปโยมก็ไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลยโยมอยากรู้จักทุกข์ไหมไทยเป็นคนทุกข์เราถามไปเลยแล้วเราก็จะบอกอะารเป็นทีเลย ว, ว่าคิดก็คือทุกข์ มีเงินก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์เขาด่าก็ทุก์อะไรเรื่องทุกข์ปัญญามันแต่ละพัฒที่จะเกิดเองแต่ไม่ใช่คำบรรยายที่จะไปบอกเหมือนก็ขันมีหน้าที่รับน้ำจิตมีหน้าที่ทำอะไรก็หลับทุ์นี่แหละคือทุกข์แต่น้สาเหตุของทุกข์ก็คือหันมาดูอารมณ์เลยถึงเขาเรียกว่าต้นต อ, อ, อหหีน ตันหาพาโลกตันหาพาโกรธตันหาพาลงตันหาตัวนี้ไม่ตันหาตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คําพูดวิปลาสแต่ตันหาแปลว่าทําให้เกิดเป็นความอยากและไม่อยากไม่อยากก็เป็นตันหาเช่นเราอยากกินก็เป็นตันหาไม่อยากกินก็เป็นตันหาอีกอยากนอนก็เป็นตันหาไม่อยากนอนก็เป็นตันหาอีกคือจะตันหาพาไปสู่ความโลภไม่มีตันหามันก็ไม่เกิดโลภใช่ไหม ถึงเขาเรียกว่าปัญหาตัวนี้ก็คือตัวอารมณ์นั่นเองอารมณ์พาให้โลภอารมณ์พาให้โกรธอารมณ์พาให้หลง ก, ก็เหมือนปัญหาอย่างมีแหละปัญหาพาโลภพาโกรธพาหลงเนี่ยจับได้เลยพอจับตัวนี้ได้ปุ๊บเราจะจับตัวนี้ได้อีกแล้วใช่ไหมทางไม่ตันเลยเดี๋ยวนี้ถ้าทางการเดี๋ยวก็ปลูกขอตายเดี๋ยวกระโดดน้าํ า, าตายแล้วเห็นพระปลูกแล้วเขาตายกันบ่อยๆอย่างนี้นะ ที่ก็มีอาปืนมายิงกระหมอดตัวเองได้ทางตันไม่มีทางออกเนี่ยตอนนี้เวลาจับทุกข์ได้จับสายเหตุทุกข์ได้ก็ทำไงไปแล้วนะไปหาที่ปองโรลงดีกว่ามาตรงนี้เลยมาถึงจุดนี้เลยจุดยืนจุดเดินจุดนั่งจุดสายญาจุดมัชฌิมาจิตที่เขาเรียกก็คือหยาบละ ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าข่าวกลชิดตัวตัณหาเข้ามากที่สุดได้ได้เสียก็ตรงนี้แหละเพราว่าอยู่เฉยๆคนอยู่เฉยๆแล้วใช่ไหมถ้มาไม่ละเดี๋ยวสาะสมเหมือนเนีนักบวชที่อยู่ในวัดไม่ได้คือบวชอยู่นานๆไม่ได้เพราะละสะสมอ่ะคิดเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องนั้นเรื่งนอนงนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นผลทีล่สุดเป็นเหลืองร้อนเด็กๆชาวบ้านพูดว่าร้อนนั่นอยู่ไม่ได้แล้ว เพรนั้นมาอยู่ตรงนี้แต่ต้องอยู่แบบคนละวางเขาเรียกว่าจะจะได้หรือไม่ได้ก็คือคือคือตรงนี้เองที่เขาจเรียกว่าบวชไปนานหรือไม่นานบางคนบวชมานแบบเราก็มีเยอะนะปุ่มพระเหลืองแบบเราเยอะแต่เขาบวชมาสะสมทําไมเขาอยู่ได้นาน่ะอโอโหเขามีเครื่องบำเรอได้เั้นก็นละสองร้อยสามร้อยห้ารอยมีคนเอาไอ้นั่นไอ้นีน่มาให้กินใหน้หนอนเลยเพลินไป First by, first by, first by. เพลินเพลิมาเหล๋ยเดี๋ยวเสร็จหละนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตจิตตกเป็นธาตุของอารมณ์และตัวกระทําปเลยเขาเรียกว่าสัพสมบวชมาสัพสมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงหลักตรงนี้เขาเรียกว่าหลักบันเทาทุกข์เขาเรียกว่านิโรธเนี่ยนะก็คือกิริยาพระหาโอมอย่างที่ลุงอาบอกไปแล้วถ้าทําอย่างนี้นะทุกวันทุกวันมีการระวางระวางละวางละวางทุกวัน รับฟังแลจิตบาจิตเบาเนี่ยเเปรียบเที่ยบเหมือนดอกบัวกําลังจะพ้นน้ำนะคนจิตบาเนี่ยที่พระองค์บอกว่าจิตสีเหลากําลังจะพ้นน้ำปริมแล้วแต่ไม่ถึงขนาดโชว์ไปตุดเขาเรียกว่าปริ่มน้ำเนี่ยรอเวลาจะขยับตัวคือการบําเพ็ญปัญญาหรือศีลธรรมที่ปัญญานี่เองคือบําเพ็ญบ่อยๆบ่อยๆเราบ่อนี่ก็โตขึ้นคือสูงขึ้นสูงขึ้นเขาเรียกว่ายกจิตเหนืออารมณ์ ตามภาษาปรมาทธรเขาเรียกว่าสีเหลืองสีเหลืองบนอาปเทืองจิตยกจิตเหนืออารมณ์กรรมตัวกระทำอารมณ์กรรมตัวกระทำยกไปเรื่อย ก, ก็เหมือนกับดอกบัวที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นสู่พ้นน้ำแต่เนี้มาพ้นนานน้ำมันชานปกติธรรมชาติเบ่งบอกเห็นเวย ไ, ไพระอาทิตย์ก็มีการตกและมีการขึ้นต้นไม้บางชนิดอาศัยพระอาทิตย์นั้นบานขึ้น บางอาทิตย์ก็ไม่ต้องอาศัยอาทิตย์เ้าเรียกอาศัยความมืดบางเช่นอย่างอมีต้นไม้ที่แปลกประหลาดนะซึ่งที่เรียกว่าต้นราตรีอย่าเงี้ยถ้าไม่ไมไมกลางคืนไม่บานอะ่ะในบานไม่มีกลิ่นแต่กลางคืนนะบานกลิ่นฟุ้งเลยเห็นไหมเหมือนดอกบัวนี่น่ะถ้าอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่มีบานจะโตมุ้งอย่างนั้นแหละ พอพระที่เกิดขึ้นมาปุ๊บกรแม่ก็เริ่มขยายออกเหมือนจิตของคนเราที่ได้พบกับพระธรรมจริงๆแล้วก็สําเร็จเป็นองค์พระอรหันแต่ตอนนี้ฝึกเพื่อกลายเป็นเป็นพระอริยเจ้าภายในบนนางขั้นหนึ่งนเรียกฝึกตอนนี้ก็เรียกฝึกเป็นอริยะบุคคลคือบุคคลที่เบาบางจากักรกัมและต่อไปเราก็จะกลายเป็นพระอริยะบุคคลตรงนั้นแหละที่สุดของความถุก อริยะัจสี่ปิดบัญชีกันเหลือไว้แต่ร่องรอยของโลกุตตะละทำเหมือนอย่างพุทธองค์ทรงปิดบัญชีแล้วพรนะอริยสาวกทั้งหลายท่างก็ปิดบัญชีไปแล้วด้วยอริยสัจสี่แต่ขอให้จําให้ชัดเท่านั้นเองหรืบอกว่าทำอะไรให้มีหลักปฏิบัติธรรมต้องมีหลักถ้าไม่มีหลักแล้วมันล้มเหลวมาเดินเล่นนั่งเล่นไม่จริงไม่จัง มาอยู่วัดอยู่วาแบบประเทศไม่มีไม่มีสติมีปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีหลักมันก็จะกลายเป็นาาการทํางานที่ล้มเหลวหรือเข้าวัดเขาวขาวล้มเหลวแต่จริงๆเขา้ามาที่นี้่ก็ไม่น่าล้มเหลวหรอกแหมที่นี่เขาสอนจังเลยนะถ้าเข้าวัดไปที่เป็นตัเฉยๆได้เวลาเขากลับบ้านเลยก็น่าจะล้มเหลวแต่ที่นี่เขาสอนจังเลย แนะนำสอนให้รู้ให้เข้าใจแต่ถ้ายังไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็น่าจะตัดข่อจงร่วมประบานไปได้แล้วถามดีไม่ได้ก็ตกนรกไปซะให้ม<ๆ>ันหมดเรื่องหมดลาวไปคือเจอทำทั้งทีทําดีไม่ได้เนีย่ยตกนรกไปซะเดี๋ยวไปเกิดเป็นตัดซะหมดเรื่องหมดราวไป ทางใจนะเนี่ยในหลงอาเนี่ยพยายามขมวดเนื้อความเนียให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันใสขาวไปเลยให้มันสมน้ําสมเนื้อแห่งความตั้งอกตั้งใจเราไม่ใช่มาเอาความสําเร็จในการฟังแต่เรามาฟังเพื่อให้เข้าใจแนวทางเมื่อได้ทางแล้วเราเข้าว่ากันไปได้ทางแล้วก็รปรับปรุงตัวเอง เราจะเพิ่มความเพียรเพิ่มความพยายามของตัวเองมันก็เกิดขึ้นจากเราตั้ง อ, อกตั้งใจไม่ใช่ว่าใครเขาจะมาทำให้เราได้ถึงตรงนี้แล้วมันต้องอัดตายิอัตโนโนาโถยิ่งคนแก่ๆยิ่งก็ต้องทำให้มากๆเพราะยาเวลาที่จะต้องเข้าสู่เชิงตะกรนแล้วต้องรีบทำให้มากก็ไปบนไ่นว่าแมแก่แล้วค้าแก่ชันแก่ผมงแก่ นี่คนบนแก่ๆเลยพมนที่ตื่นเลยแยกไปใหญ่ต้อ <c> ง <oughs> ทำให้มากเพราะว่าก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยแหมคนแก่นี่ก็สร้านกรรมาเยอะเลยตักตัวมันไว้ไม่ใช่น้อยอคนหนุ่มคนสาวนี่อยาไว้ที่จะพึ่งชั่วหน่อยสร้างกรรมไปเล็กๆน้อยๆจริงแล้วก็คนแก่ก็ตู้คนหนุ่มไม่ได้แล้วเพราะคนหนุ่มเพิง่งจะเริ่มเกิดมาอายุเพียงยี่สิบสามสิบตี เายังก็ก็คยจะมีกรรมอะไรทักหนาแต่แลาวในป่าเขาไปตั้งเจนะ็ดสิบหกสิบเนี่ยโหซัตดมาเต็มที่เรี <c oughs> ยกวบาแบกกันเต็มที่เลยยาจะมาบอกว่าไม่ไหวแก่แล้วเอาที่ น, นี่หน่อยพอที่เขาบอกว่าทําตามอารมณ์ตาใจอย่ า, างา น, นไปกันใหญ่เลยนะต้องข ย, ยนันเพียนเดิ น, ดนไม่ไหวนั่งนั่งไม่ไหวเดินเดินไม่ไหวหนัง่ตงต้องขยันอย่างนั้นอ เอามันเดินหนักมันมั่เอานั่งนั่งนั่งมั่วเอาเดินเดินมวเนั่งอะไรอยู่อย่างนั้นน่ยคือขยันหน่อยแล้วก็อันจิตใจให้ว่างอารมณ์มันมาเกิดให้รู้จักอารมณ์นี่หละเขาเรียกว่าสติทํานําสติเดินมีสติแล้วก็เดินไปตามธรรมถ้าขาดถ้าไม่มีสติก็ไป อ, อย่างหนึง่งคนไม่มีสติมันก็ก็เดินไปทํากรรม พฤติกรรมของโลกที่แสดงไปชีวิตเราเนีย่ยทุกคนคงชัดนะคงชัดเจนกันมาเลยละตั้งแต่จำความได้กันอะ่ะเอาเันว่าตั้งแต่เจ็ดขวบไปละพฤติกรรมของโลกที่ที่บ่งบอกทิศกระแสจิตตรงนี้อะ่ะสีบ้างลายบ้างหรืนะอเรียกว่าถูกบ้างแพงบ้างนะ่ะคงจะ น, น่าดูบางครั้งเราอยากจะตายไรื่หมดเรื่องหม ด, หมดลาไปแต่มันก็ไม่ตาย มีเรื่องกระลาดมีเด็กคนหนึ่งไปผูกคอตายแม่ก็ด่าหน้กตาเขาฟาเชื่อกับผูกคอตายตัดสินใจตายดีกว่าแล้วจะอยู่เลยโน่นตะปีคือนมาปยอดไม้โน่นตัดใจกัเชือกผูกกับต้นไม้จะผูกคอแล้วจะกระโดดมีเสียงเขาบอกให้หนูเอกลับบ้านจะไปเดียวมาทําร้ายตัวเองทำนั้นนันรีบลกเก็บกวาดวิ่งกลับบ้านแล้วกลัวตายอยู่เลย เดี๋ยวเวลจะผูกคอตายไปเจอเสียงผีก็เลยหนีเลยตอนนี้นะไี้กส่ดินฟ้าอากาศยังช่วยไว้ยัางงก็สงก็เป็นผีไปแล้ว อ, นนอย่าไปเพลินแล้วเสียนกเขาล่ะนนนเนี่ยเสียนกเขาก็เหมือนเสียงอารมณ์นเหมือนนะเพลินนะ ัางทีบางคนก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ทั้งแล้วความคิดน่ะคิดไปเรื่อยง่ายก็ใหม่ไปเรื่อยเฉื่อยไปก็เหมือนกับเขาต้อสอบจิตแล้วเหมือนกันว่าจิตจิตนกเขากับจิตพุทโธเลยใครจะอยู่กับกันที่เราอาจจะแพ้นล้ อาจจะแพนนกเขานะเล่นฟังนกเขาจดจ่อเลยรที่จิตไปอยู่ที่นาผักนกเขาเลยก็ได้มันก็เป็นเรื่องทดลองอะทดลองทดสอบเอขาเรียกว่าปารมาพิเศษปารมานี่ก็แปลว่าทดสอบไหนที่ชอบเสียงนกก็เสร็จเลยเนี่ย เสียงมันดังซะด้วยที่นอกเขาเพาะไหมต้องเพาะแน่นอนเลยคุณจะดีกับพุโทโธเลยมั้งมันต้องพุโทโธให้ทุกลมหายใจเข้าออกมันก็ดีสำหรับจิตที่ยังสํารวมไม่ติดนะพยายามเน้นเน้นพุโทโธให้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยไม่ใช่ว่าไปพุโทโธอยู่ที่การก้าวเดินนะ ไม่ใช่ว่าเดินเต้าคลายขวาพุโทโธไปไว้ที่เท้าไม่ได้นะเท้าเราเดินของเราไปตามปกติแต่เรากําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นองค์พุโทโธขึ้นไม่ใช่พุธทธก้าวเวทีโทวก้าวเวทีนี้ไม่ได้นะหรือจะผิดหลักหรือจะหาให้ใครสอนให้พุโทโธไปไว้ที่เท้า พุทโทอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่ที่เคยแนะนําไว้แล้วดีสามอย่างอะ่ะดีขั้นต้นคือดีภาวนาดีชั้นที่สองคือดีเข้าสมาธิได้ดีชั้นที่สามคือดีมีสติมีปัญญาคอยฟ้าหาปัญญาจากเหตุผลของตนที่เกิดขึ้นในธรรมต้อให้ดีขึ้นดีขึ้นยิ่งฝึกยิ่งดีเนี่ยซึ่งเรียกว่า เขาเรียกนักเรียนเรียนเก่งหรือผู้เชี่ยวชาญยิ่งฝึกยิ่งเชี่ยวชาญมันจะยิ่งทำยิ่งแย่นะมือไม้วางให้มันดูจังหวะตั้งกายตั้งใจให้ตรงเดินให้ดีนั่งให้ดีความสำเร็จสี่ประการไนงะหนึ่งความพอใจสองความเพีย